บัดนี้จากสแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำมรวมกายวา จ, าจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมรสมมาสมพุทธเจา้าได้ตรัส ที่แจงแสดงวิธีปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาไว้ในพระสูตรหนึ่งที่คือว่ามิตากะสันทานสูตรโดยจัดสอนให้ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติอบรมอธิจิตคือจิตยิ่ง อันได้แก่สมาธิให้อาศัยกําหนดใจถึงนิมิตเกิื่อเครื่องกําหนดใจห้าประการประการที่หนึ่งเดินตรสัสสอนไว้ว่าเมื่ออาศัยทาใจ กำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดอันใดอกุศลวิตตคือความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายซึ่งอาศัยชันทะความพอใจหรือราคะความติดใจ ย, ยินดีบ้านอาศัยโทสะบ้าน อายโมหะมันเกิดขึ้นก็ให้กําหนดใจหรือทําใจกําหนดในมิตรใมิตอื่นจากนิมิตนั้นเมื่อกําหนดนิมิตรอื่นเกิดเครื่องกำหนดใจอย่างอื่นจากนิมิตนั้นอากุศลโนบิโต หือความปรึกนคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายที่อาศัยจันท่าความพอใจหรือราคาความปิตใจ ย, ยินดีบ้างที่อาศัยโทสะบ้างที่อาศัยโมหะบ้างก็ย่อมดับไปเหมือนอย่างช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ ลิ่มสลักที่ละเอียดประนีตลงไปบนลิ่มสลักที่หยาบในแผ่นไม้ทำให้ลิ่มสลักที่หยาบนั้นหลุดออกไปโดยลิ่มสลักที่ละเอียดประนีตก็เข้าไปประกอบอยู่แทน ดังนี้ฉันใดเมื่อตั้งใจกำหน ด, น, ด, ดนิมิตใดอกุศลแลมิตตกทั้งหลายบังเกิดขึ้นก็ฉันนั่นคือนิมิตที่กำหนดคือเครื่องกำหนดใจที่กำหนดอันเป็นเหตุให้อกุศลแลมิตตกบังเกิดขึ้นนั่นเป็นเหมือนอย่างเรียมสลัก ไม่หยาบติดอยู่ในเนื้อไม้ว่าเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนให้ทำใจกำหนดนิมิตอื่น <c oughs> จากนิมิตนั้นซึ่งอาศัยกุศล น, นิมิตอื่นที่อาศัยกุศลนั้นจึงเปรียบเหมือนอย่างเริมสลักอันใหม่ ที่ละเอียดก็ใช้ลิมสลักอันใหม่ที่ละเอียดคือวิตกคือคือนิมิตเรื่องกาหนดอันอื่นอันใหม่จากนิมิตนั่นคือจากนิมิตที่เป็นเหตุให้บังเกิดอกุศลหรวิตกนั่นแทนเมื่อกาหนดนิมิต คือเครื่องกำหนดอันใหม่เรื่องอาศัยกุศลแทนดังนี้นกุศลวิตกทั้งหลายก็ยอมตกไปดับไปเพราะว่าลิมิตคือเครื่องกำหนดอันเป็นที่ตั้งของอกุศลวิตกทั้งหลายนั้นดับไปจากจิตใจแล้ว กิตใจไม่ดำนุดแล้วอกุศลนวิตกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจึงต้องดับไปด้วยเพราะอกุศลนวิตกทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยอยู่กับนิมิตอันเก่าอันหยาบนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่หนึ่ง ที่ตรัสสอนไว้ที่ตรัสสอนไม่ว่าให้กำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดห้าอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่านิมิตอันอืนจากนิมิตอันเก่าอันเป็นที่ตั้งแหนอุศนั้นไปตกทงหลายดังที่กล่าวมา วิธีที่หนึ่งนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติสมาธิทั้งปวงเพราะว่าก่อนปฏิบัติสมาธินั้นจิตใจนี้ย่อมกำหนดอยู่ในนิมิต ท, ทั้งหลาย คือเครื่องกําหนดใจทั้งหลายอันเป็นราคะนิมิตรหรือว่าสุภะนิมิตคือเครื่องกําหนดหมายว่างามอันเป็นเครื่องกําหนดหมายที่เจอปนด้วยราคะหรือให้เกิดราคะบ้านกําหนดอยู่ในปฏิฆานิมิต คือเครื่องกําหนดหมายที่กระทบระทั่งใจอันเป็นชนวนให้เกิดโทษบ้างกําหนดอยู่ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงสยบติดอยู่บ้างจิตใจของสามั ญ, ญชนย่อมกําหนดอยู่ในนิมิตคือเครื่องกำหนดหมาย เป็นสุภานิมิตบ้างเป็นปฏิฆานิมิตบ้างเป็นนิมิตที่เป็นที่ตั้งของโทสะของโมหะบ้างดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงได้บังเกิดอกุศลทุกตกทั้งหลายคือความฝึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายอันอาศัยชั้นะคือความพอใจชอบใจบ้าง อาศัยโทสะความโกรธแค้นกัดเคืองบ้างอาศัยโมหะความหลงบ้างจิตใจปกติของสามัญชนทั่วไปยุ่งเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นจึงพากันปฏิบัติทมสมาธิก็เพื่อที่จะให้จิตใจนี้สงบจากอากุศลวิตกทั้งหลาย คือความรึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายแต่ว่าอากุศลนวิตกนั้นย่อมมังเกิดขึ้นเพราะลิมิตคือเครื่องกําหมดของจิตใจฉะนั้นในการที่จะปฏิบัติเพื่อสงบอกุศลนวิตก คือความปรึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องสงบความกาหนดหรือกาหนดหรือหรือสงบความที่อาศัยวิตกหรือสงบความที่อาศัยนิมิตที่ทําใจกาหนดนิมิต คือเครื่องกำหนดใจกันเป็นที่ต่างของอกุศลทั้งหลายดังที่กล่าวฉะนั้นนิมิตคือเครื่องกำหนดใจนี้จึงเป็นข้อสำคัญของผู้มุ่งปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกรรมาฐานสำหรับที่ผู้ทมสมาธิ จะพึงปฏิบัติธรรม จ, จิตใจอันเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนทางปัญญาก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานนี่เป็นอุบายเรื่องปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะ คือปฏิบัติทมสมาธิในเบื้องตน้นจึงจำเป็นที่จะต้องมากำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายอันได้กรรมฐานที่ทระุทธเจา้าทรงสั่งสอนนั่นเองดังเช่นเมื่อต้องการจะปฏิบัติเพื่อดับ อกุศลวิตกคือความปรึกนึกคิดเป็นอกุศลที่เป็นกองราคะหรือฉันทราคะความปริจัยในอำนาจั้งความยินดีพอใจก็ต้องกำหนดสุภนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายว่าไม่งามแทนสุภนิมิตดังเช่นพิจารณากายนี้ ที่แยกออกเป็นอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองมีผมขนในฝันหนังเป็นต้นพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่งดงามเรียกว่ากำหนดอสุภนิมิตกำหนดหมายว่าไม่งดงามในกายนี้หรือว่าต้องการจะดับอากุศลุมิตกที่อาศัยโทสะ ก็เจริญเมตตาภาวนาคืออบรมเมตตาจิตให้มันเกิดขึ้นแผ่จิตใจออกไปหนยจกจงในบุคคลซึ่งเป็นที่รักหรือบุคคลที่เป็นปันกลางหรือในบุคคลที่เป็นศัตรูกันเป็นคนนั่นเป็นคนนี้หรือในสัตว์เลี้ยง ตัวนั้นตัวนี้เรียกว่าโดยเจาะจงหรือว่าโดยไม่เจาะจงก็คือแผ่ใจไปในสนรรพสัตว์ทุกทุนน่าเ้วขอให้เป็นสุขเมื่อกำหนดในกรรมฐานคือเมตตาเป็นดิมิตคือเครื่องกำหนดของจิตเมตตานี้ก็ตรงกันข้ามกับปฏิฆะ ตรงข้างบโทสะก็จะดับอกุศลวิตกกองโทสะได้หรือพิจารณาธาตุกรรมฐานว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสี่เติมอากาศสาศัาพาธาตุอากาศกอีกหนึ่งเป็นธาตุห้า ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อมาปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้ก็จะทำให้ไม่หลงติดอยู่ในกายอันนี้ด้วยความยึกถือว่าเป็นตัวเราของเราเ่าเห็นว่าจากตัวว่าเป็นทาต ดินธาตุนั้นธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศมริษับุคคลตัวตนเราเขาก็ทำไม่สงบนะครับอกุศลต้องวิตกกองโมหะได้ฉะนั้นในมิตรเกิดขึ้นกาหนดหมายที่เป็นฝ่ายกุศลจึงตรงกันข้ามกับฝ่ายอกุศล เมื่อต้องการที่จะดับอากุศลวิตกก็จะต้องเปลี่ยนมากำหนดในวิตกที่เป็นฝ่ายกุศลก็ต้องเปลี่ยนมากำหนดลิมิตที่เป็นฝ่ายกุศลแทนอัน นิมิตคือเครื่องกำหนดของจิตนี้จะเป็นฝ่ายอากุศลก็ตามเป็นฝ่ายกุศลก็ตามก็เป็นเหมือนอย่างลิมสลักแต่ว่าเป็นริมสลักที่เสียบใจในเมื่อนิมิตคือเครื่องกหนหมดเป็นายอากุศลอันจิต ทำใจกำหนดทำจิตอาศัสก็ชื่อว่ามีนิมิตอันเป็นฝ่ายกุศลนั้นเสียบใจเมื่อมีนิมิตอันเป็นฝ่ายกุศลเสียบใจก็ทำให้มาเกิดอกุศโลโนบิตกเป็นนิวรต่างๆคือเป็นกามาชันบ้างเป็นพยาบาท บ้างเป็นทีนมิทะความหงุวงหนเครืคร่องเบ้างเป็นปุถุจกกุกจจัความฟุ้งซ่านนอาคาญใจบ้างเป็นวิจิกิจฉาบ้างจิตก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเมื่อจิตเป็นดังนี้คือประกอบอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งหลายดังกล่าวก็คือมีอกุศ ล, ลวิตกทั้งหลายรุมๆอยู่นั่นเอง ก็ทำสมาธิไม่ได้ไม่สำเร็จจิตไม่รวมเป็นสมาธิจะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ไม่ได้ไม่เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเพราะเหตุที่มีลิ่มสลักฝอยอกุศลคือนิมิตดังกล่าวนั่นเองเสียบแทงอยู่ในจิตฉะนั้นทางที่จะแก้ ทำสมาธิได้และทำปัญญาได้ก็จงเป็นที่จะต้องอาศัยมาตั้งใจกำหนดนิมิตในกรรมฐานคือเครื่องกำหนดในกรรมฐานและเมื่อได้ตั้งใจกำหนดอยู่ในนิมิตไวยกุศลคือกรรมฐานดังนี้แล้ว ก็ต้องให้นิมิตที่เป็นกรรมฐานนี้เข้าไปตอบนิมิตที่เป็นไฟกุศลออกไปจากจิตถ้ายังตอบออกไปไม่ได้คือว่านิมิตที่เป็นไฟกุศลนั้นยังครองจิตอยู่ยังเสียบอยู่ในจิตก็คงยังทำสมาธิไม่ได้ทำปัญญาไม่ได้อยู่นั่นเอง จนกว่าจะตั้งใจอาศัยความเพียรอย่างจริงๆอาศัยสำบัญญัญะความรู้ตัวอาศัยสติความนึกได้ที่กำหนดในนิมิต ท, ที่เป็นกายกุศสคือกรรมฐานนี้จริงๆในที่สุด ในมิตรที่เป็นกรรมฐานนี้ก็เหมือนริมสลักอันใหม่ที่ละเอียดประนีตก็จะตอกริมสลักอันเก่าคือวิตกที่เป็นวายกุศลให้หลุดไปจากจิตได้นิมิต ท, ที่เป็นกรรมฐานก็เป็นริมสลักอันใหม่ที่ดีที่ประนีตก็เข้าไปตั้งอยู่ในจิตแทนเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้สมาธิ ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติทางสมาธิทางปัญญาจึงจำเป็นที่จะรู้จักความจริงในวิธีปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นข้อที่หนึ่งดังที่แสดงมาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสด ละตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป